กำหนดเราสิบวันคนก็ได้แปดวันคนก็ได้เจ็วันคนก็ได้ห้าวันคนก็ได้เก้าวันความพร้อมไม่เท่ากันอยู่ที่ความตั้งใจและเจตนาว่าความตั้งใจเจตนาที่เข้มแข็งก็คงจะได้ผลเหมือนกันมาดูแปลงผักฉีแล้วก็ บางแปลงก็ขึ้นงามบางแปลงก็ไม่ขึ้นทั้งที่หวานมดทุกแปลงใช่ไหมไม่ใช่หวานทุกแปลงบางแปลงไม่ขึ้นเลยนะฟินฟ้ออะไรฟินฟ้ออะไรขันยาจริงยาก็สังเกตเห็นความจริงว่าแม่เม็ดผักในที่ละหว่านไปในดินอันเดียวกันปุย๋ยอันเดียวกันน้ามันเดียวกันมันก็ยังขึ้นบางไม่ขึ้นบาง แต่ขึ้นแล้ววงทีก็ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นอ้วนต้นผอมไม่เท่ากันอีกอืมฉันเดฉันนั้นเดียวนกันในใจของเราที่มันมีตัวสติหรือตัวซีดเอา d ดบุดานะเดบุดัสซีดเนี่ยหรือโพธิเมล็ดแห่งโพธิเนี่ยอยู่ในใจของคนทุกคนแล้วบางคนก็เกิดสภาวะ พุทธะจิตบางคนก็ไม่เกิดบางคนก็เกิดมากบางคนเกิดน้อยบางคนก็เข้มแข็งบางคนก็ไม่เข้มแข็งเป็นเพราะอะไรธรรมชาติเดียวกัน <c oughs> จับมเมล็ดผักธิรวาลไปสถานที่เดียวกันคําสอนอันเดียวกันครูบ <c> า <oughs> อาจาร ย, ยอา์อันเดียวกันท่าศีเดียวกันแต่ว่าความเจริญเติบโตไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัว มเม็ดแห่งโพธิคือตัวสติสัมผัยัญญาตัวนี้ของใครจะเข้มแข็งกว่า <c oughs> ใครจะมีความสมบูรณ์มากกวา่าอยู่ตรงนั้นเป็นสำคัญถนะ้าคนไหนมีความสมบูรณ์มากนั้นก็เข้มแข็งมาก <c oughs> คนไหนมีความสมบูรณ์น้อยก็เข้มแข็งน้อยคนไ้นไม่มีความสมบูรณ์เลยก็ช้าไปตามลำดับเพราะนั้นเราก็อย่าเพิ่ง เพราะเพราะว่ามีความสมบูรณ์ที่ลดลนแตกต่างกันไปแล้วก็ต้องเฝ้ารอในความเข้มแข็ง น, นั้นแล้วก็เพิ่มน ะ, มะเมล็ดพืชหรือมเมล็ดผักเนี่ยมันถูกกาหนดมาอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่ามันเคยสมบูรณ์แค่ไหนมันก็แค่นั้นเพิ่มไม่ได้อืแต่ว่ามเมล็ดแห่งโพธิ์หรือโพธิจิตเนี่ย มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันสามารถลดได้เพิ่มได้อขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเมตที่ว่ามันไม่พร้อมอาจจะพร้อมกว่าเมตที่เข้มแข็งก็ได้เมตที่เข้มแข็งอาจจะรีบไปก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปั จ, จจั ย, เ, ย, เ, จจย เ, หจเหมือนกันนั่นนี่ข้อแตกต่างพราะนั้นการมา <c oughs> พัฒนาอตัวโพธิจิตหรือโคพุทธจิตเนี่ย ก็คือมาสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันพร้อมกทนั้นเองพะพุทธจิตของเรามีอยู่แล้วทุกคนซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้คุณพบแล้วท่านได้ก็ได้นํามาเปิดเผยนะในธรรมนิยามมันเป็นกฎที่มีอยู่แล้วของคนทุกคนเมื่อพระุทธเจ้าคุณพบท่านก็นํามาเปิดเผยมาจําแนกแจกแจงมาบัญญัติเขาที่ท่านใช้คําว่าธรรมาธาตุนะ ธรรมธาตุธรรมนิยามตาธรรมทิจ ต, ตาธรรมนิยามตาอ <c oughs> ว่าธรรมธาตุนี้มีอยู่แล้วอซึ่งมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในใจทุกคนเมื่อน <c oughs> พุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนี้มีอยู่แล้วในใจของคนทุกคนแต่เมื่อพุทธเจ้าเกิดขึ้นอ่าอภิสัมพุชติอภิสมัยติ อภิสัมพุทธชิตวตวอพิสมตตวาแต่หาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมเห็นพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นวิวารติวิภชัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงปัญญาเปติปัฏถะเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งคืนไวอัตโนอาตาอุตานีกรโรติย่อมทำให้เป็นการงายดูดของที่ควม้ม คือเปิดให้เห็นถึงพุทธจิตตัวเนี้ยธรรมธาตุตัวเนี้ยให้เห็นแล้วเราก็าธรรมธาตุอันนี้มันมีอยู่สองลักษณะลักษณะอันแรกก็คือมันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตรักษนะธรรมธาตุอันที่สองมันสามารถทําให้อยู่เหนือกฎไตรักษได้นะ กฎในรักนี่หมายความว่ามันมีอยู่ก่อนแล้ว <c oughs> มีอยู่ก่อนคือความเป็นอนิจังทุกขรังหน้าตาจิตของเราที่ <c oughs> อย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนะี่ยโพธิจิตตัวเนี้ยถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ปรับปรุงยังไม่ได้แก้ไขนะมันก็เสื่อมไปมตามเหตุปัจจัยของมันเพรอมันก็เป็นกฎของอนิจังทุกขรังหน้าตาแต่พอมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็สามารถ ที่อยู่เนื้อกฎของไตรลักได้เหมือนกับเมล็ดพืชถ้าเราเก็บเอาไว้โดยที่ไม่หวาน น, ะ น, า, น, นานไปมเมล็ดพืชตัวนี้มันก็จะแห้งจะรีบจะหมดสภาพไปแต่พอเรามีการเปลี่ยนแปลงนําเอามเมล็ดพืชที่ไปหวานไปปุ๋บเมล็ดพืช น, นี้ก็อ่าแตกงอกออกจริงเป็นมเมล็ดพืช พันใหม่อีกจากหนึ่งเมล็ดก็ขยายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเพราะเรานําไปพัฒนาแต่ถ้าไม่นําไปพัฒนาเมล็ดนั้นก็ได้ แ, แต่เสื่อมไปแห้งไปรีบไปหมดสภาพไปเราทั้งหลายยิง่งได้นําเอาเมล็ดพืชคือตุวโคติจิตนี้มาพัฒน า, น, า, านํามาหว่านนํามาโปรยมาลดน้ําใส่ปุ๋ยพ่ดินแล้วพุทธจิตตัวนี้ก็ขยายเป็น ผลเป็นมักเป็นผลออกมาให้เราได้เก็บได้กินได้อาศัยได้พึ่งพาไปเหมือนกับที่เรานำเมล็ดข้าวไปหวานได้มีข้าวเพิ่มกินต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่หดไม่หิวอันนี้หลักเดียวกันหลักของธรรมธาตุนะทีนี้เราจะพัฒนาพืชนี้ยังไงให้มันงอกงามบางทีแล้ากวาดแล้วมันไม่งอกเงียยเพราะอะไร เนื้อนาบุญอยู่ที่ไหนเนื้อนานั้นอาจจะดินใหม่ดีดินเปรี้ยวดินเค็มหวานไปก็ไม่เกิดหรือไม่งอกงามทีนี้เนื้อนาบุญของเราอยู่ที่ไหนให้เราสวดบุญญาเขเฉ ต, ตังโลกาสาติเนื้อนาบุญของเราเนื้อนาบุญของโลกอพระสง์จะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ก็คือเนื้อนาบุญของเราได้แก่ผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนอูชุปฏิปันโนยาญาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนอันนี้คือผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญของเราถ้าบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญนี้ได้เกิดขึ้นท่านก็จะชี้ช่องบอกทางในการทนุบำรุงพุทธจิตของเราให้เจริญงองามขึ้นได้นี่หมายความว่าเราได้อ่า ทำบุญได้เข้าใกล้ได้ศึกษากับบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญนั้นเราก็จะได้วิธีการเหมือนกับเราได้พบกับกเกษตรเจ้าหน้าที่กา ร, กรเกษตรเขารู้จักวิธีการปลูกกันฝังการแพร่พันธุ์การพัฒ น, น า, าการเพาะปลูกนีให้เจริญงอกงามได้ เราก็จึงได้พบกับบุคคลเช่นนั้นหรือได้ทำบุญกับบุคคลเช่นนั้นเราก็ได้มาพัฒนานำเอาความรู้และประสบ ก, การณ์มาพัฒนาโพีิจิตของเราให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นนั้นเองในวิธีการของพระเทียนเราก็จึงใช้วิธีลักษณะที่ทำเนี่ยซึ่งเปรียบเส ม, มือนว่าเราได้ใส่ปุ๋ยลงไปด้วยนะปุ๋ยเล่งด้วยนะตัวเนี้ยมันคงเล่งให้งอกงามเจริญ ง, งอกงามได้โดยไว จากการที่เราไม่รู้อะไรเลยก็เริ่มรู้จากการที่เราไม่เคยเห็นความพิแเราก็เห็นความคิดจากการที่เราไม่เห็นตัวเวทนาทุกระดับเราก็เห็นเวทนาจากการที่เราไม่เคยจัดการกับเวทนาเป็นเราก็เริ่มจัดการกับเวทนาเป็นจากการที่เราไม่เคยเห็นตัวกิเลสด้านหาวัฏฐานเราก็เริ่มเห็นเริ่มรู้จักเห็นไหมอันนี้คือการ จเจริญเติบโตของตัวโพธิจิตซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเห็นมั้งไหมอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เข้าใจอะไรที่กว้างขวางมากกว่านั้นทั้งๆที่โพธิจิตมีอยู่ของเรามีอยู่ก็มีอยู่แต่ทําไมมันจึงการเห็นสภาวะธรรมต่างๆไม่ละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ พัฒนาเหมือนกับเมล็ดนะเราก็มีแต่ว่ามันมีเพียงเมล็ดเดียวแต่หลังจากที่เรานํามาหว่านมาพัฒนามาปลูกมาเอาใยใส่แล้วมันก็เกิดดอกออกผลเป็นหลายเมล็ด จ, จากเมล็ดเดียวเป็นร้อยเ ป, เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้อย่างเมล็ดข้าวนะเมล็ดมะเขือเนะี่ยนี่คือหลักของธรรมชาติแท้ๆเลยนะมันไม่ใช่เป็นหลักที่สลับซับซ้อนอะไร ถ้าเราจะทำความเข้าใจกันให้ดีดังนั้นทุกขณะของการกระทานั้นก็คือการใส่ปุ๋ยบนดินเอาใจใส่ต่อพันุ์พืชของเราพัานุ์พืชอันนี้ก็ได้แก่ตัวสติสมาธิปัญญานั่นเองให้มันจะเดินงกงามยิ่งขึ้นยิ่งมเมล็ดพันุ์แห่งความรู้สึกตัวนี้จะเดินงกงามมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะขยายแผ่รลังสีของความรู้สึกตัวเนี่ยกว้างขวางขึ้นครอบคุมขึ้นเมื่อก่อนมันรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเดี๋ยวนี้เริ่ ม, ร, มรู้บ่อยเนะี่ยเมื่อก่อนเราคิดไปจนลืมไปตั้งนานนะแต่เดี๋ยวนี้กลับรู้ไวขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แสดงว่า กำลังของตัวสติสมาธิปัญญานั้นมีกำลังที่จะดีดกลับมาได้ไวขึ้นอันนี้ก็พอกันพัฒนาของเรานะดังนั้นทุกทุกช่วงเวลาที่ให้ปล่อยให้ปฏิบัติเนี่ยเราจึงไม่ทำแบบใจไม่จิตไม่ใส่ใจไม่ตามแต่ทำแบบ สังเกตสังกาเอาใจใส่ศึกษาเฝ้าดูไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยตกไปเป็นธาของความขี้เกียจความม่วงเงาห้องนอนความาฟุ้งฝันอดีตอนาคตไม่ปล่อยให้มันไปอย่างนั้นแต่เมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องเกิดแต่หน้าที่ของเราก็คือจะต้องปรับให้มันกลับเข้ามาสู่ความเป็นปัจจุบันที่ชัดเจน ไม่ใช่อยู่ปฏิบัติไปที่เ บ, บลอเบมัวมัวดิมๆดิมหลงหลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ทุกขณะของการกำหนดรู้ทุกขณะการเคลื่อนไหวต้องชัดเสมอไม่ว่าเราจะขยับเข ย, ขยือนเคลื่อนไหวยิบยับจับช่วยแล้วก็ตามกำหนดลงไปให้ชัดเป็นจังหวะจังหวะจังหวะไปมันก็จะทำให้พุทธิ หรือโพธิปัญญาหรือพุทธจิตตัวเนี้จเจริญงอกงามได้ไวยิ่งเราได้กำหนดรู้ในปัจจุบันนานเท่าไหร่มากเท่าไหร่นั้นหมายถึงว่ามันจะเจริญเติบโตได้ไวเท่านั้นยิ่งเราปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์นานเท่าไหร่นั้นเราก็จะท่วงความเจริญของโพธิจิตของเราเองมากเท่านั้นนะดังนั้นเองจุดนี้จึงไม่มีใครช่วยใครได้ ดังได้กล่าวแล้วว่าทําไมเมล็ดพืชมันบางเม็ดงอกบางเม็ดไม่งอกเป็นเพ า, งงาบางต้น ง, งามบางต้นไม่งามเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถนําจิตของเรามาสู่ปัจจุบันได้เร็วแค่ไหนได้อยู่กับปัจจุบันได้นานแค่ไหนนี่เงื่อนไขตรงนั้นสําคัญเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะไปอ้ า, อางถึงเรื่องของ วาสนาบาลมีอ้างถึงการชี้เนะอ้างถึงคําสอนว่าทําให้เราปฏิบัติชา้าปฏิบัติใบไม่ได้เกี่ยวกันเลยเกี่ยวกันได้ว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือไม่เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วเราได้นํานจิตของเราได้มาอยู่กับปัจจุบันได้มากน้อยยาวนานแค่ไหนตรงนั้นต่างหากที่ที่เป็นเงื่อนไขสําคัญดังนั้นการเจริญสติแบบนี้มีผลอย่างไร มีผลทําให้จิตเปลี่ยนแปลงแม้แต่รูประธรรมเราก็เห็นนะไม่ใช่เราเป็นเรื่องจิตที่เราจับไม่อถูกต้องไม่ได้นะแม้แต่ทุกอย่างในนามธรรมาเนี่ยเราจะเห็นขบวนการของมันได้ก็โดยอาศัยรูปรธรรมเป็นตัวเทียบดูเปรียบย่างได้กล่าวได้บ่อยครั้งว่า ตัวกะทิเนี่ยมันเป็นตัวที่ผสมทั้งน้ำทั้งน้ามันอยู่ในตัวของมันเองแต่เมื่อมีการจัดการอย่างถูกต้องนาไปหุงไปต้มไปเจียวไปกลั่นไปกรองมันก็เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงกะทิไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมแล้วกลับกลายเป็นน้ำมันแม้แต่ในวัตถุ ทำอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดแจงที่จะให้มันเป็นอะไรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างข้าวมันเคยเป็นข้าวสารข้าวเปลือกแต่พอข้ามไปสู่การกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยความร้อนมันกลายเป็นข้าวสุกและข้าวเหนียวที่รับประทานได้แล้วมัเนเปลี่ยนแปลงแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไีแล้วมันกลับสู่สภาพสภาพเดิมไม่ได้เลยนะสมมติ ข, ข้าวสุกเนี่ยจะกลับมาทําให้มันเป็นข้าว เขาสารและเข้าเปลือกเหมือนเดิมได้ไหมทํายังไงก็ไม่ได้น้ํามันที่มันแปลสภาพน้ำกระทีที่แปลสภาพเป็นน้ำมันจะแปลงกลับมาเป็นน้ำกระที่อีกได้ไหมวิทย์นักวิทยาศาสตร์ทำได้ไหมคุณหมอจะทําน้ํามันกลับมาเป็นน้ำกระที่เหมือนเดิมทําได้ไหม นี่คือการขบวนการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยจิตของเราเหมือนกันเมื่อพัฒนาอบรมอย่างถูกต้องเปลี่ยนจากสภาพจิตของปุถุชนที่มีกิเลนาปัญญาหยาบให้เป็นโพธิจิตให้เป็นพุทธจิตแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนกลับมาเป็นจิตปุถุชนอีกไม่ได้นั่นคือกฎของมันนะแต่ในกรณีที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันก็จะ กลับมาเป็นดังเดิมก็อย่าแปลเป็นอย่างอื่นไปนะนั้นจึงเน้นที่ความถูกต้องกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มันถูกต้องนะเพื่อเราจะได้มั่นใจแล้วแล้ก็มุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียรของเราอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยท้อถอยเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิต ไม่ใช่พลิกไปพลิกมาเดี๋ยวเป็นผู้ดชนเดี๋ยวเป็นอริยชนไม่ใช่นะมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือเปลี่ยนไปเพราะเราเป็นผู้จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเองแต่หมายความว่ามันถูกนะถ้ามันไม่ถูกก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ได้เหมือนกันทีนี้ในขบวนการปฏิบัติเราจรึงคำหนึ่งถึงความถูกต้องให้มากนะการ ปฏิบัติอย่างถูกต้องเริ่มต้นว่าทางกายกรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรทางวจีกรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมโนกรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนี่ก็เริ่มตรวจสอบไปจากเนี่ยตามลำดับถ้าสิ่งทั้งสามเนี่ยมันถูกต้องคล้องกันนะมันก็ทีนี้จะทํำยังไงให้มันมั่นคงหลังจากมันถูกต้องแล้วให้มันมั่นคงหมายเขาว่าให้มันเป็น่ะ ฝึกให้มันเป็นสมุคกายกรรมกายยกรรมสามกายวิกายสุจริตสุจริตสามเนี่ยที่หมายถ้าทํากายกายยกรรมให้บริสุทธิ์ทําอย่างไรอันนี้คือการรักษาศีลวจีกรรมที่บริสุทธิ์ก็คือการรักษาศีลมนโนกรรมที่บริสุทธิ์ก็โดยการเจริญวิปัสสนาถึงจะบริสุทธิ์ได้ การเฉลยวิปัสสนาก็คือการอย่างที่เรามาทําคือมาชําระจิตทีนี้จิตนี่มันเป็นรูปธรรมดังได้กล่าวแล้วจะชําระมันได้อย่างไรเราก็รู้ว่าตัวอุปสรรคของจิตคืออะไรก่อนสมมุติเราจะซักผ้าเนี่ยเราจะซักผ้าให้สะอาดเนี่ยเราซักเอาอะไรออกเราทุกข์จักซักเอาขี้ข้าวี่ไงฝุ่นผง สิ่งแปดเปื้อนทั้งหลายเนี่ยเรารู้เป้าหมายว่าตัวนั้นนะเราจะต้องเอาออกเหมือนกันเรารู้ว่าตัวจิตของเราที่มันถูกแปดเพื่อนเนี่ยมันแปดเปื้อนด้วยอะไรอ่าเราต้องรู้จักสิ่งที่มาแปดเพื่อนจิตเสียก่อนเราถึงจะเอาออกได้ ร, รู้ว่าความคิดอ่าเป็นตัวที่แปดเปื้อนไหมก็ไม่ใช่อะไรละที่มันแปดเปื้อนจิต เราก็เรามารู้ว่าจิตนี้ที่มันสปกปรกเท่าจะว่าจิตนี่สกปรกก็ไม่ใช่นะจิตนี้ไม่เดิมแท้ทั้งไม่ได้สกปรกนะใช่ไหมว่าจิตแท้นั้นไม่ได้สกปรกมาก่อนไม่ได้แปะเปืเป้อนมาก่อนท่านบอกว่าเหมือนน้าฝนที่ตกจากฟ้าเนี่ยมันไม่ได้คุน มัวมาก่อนนะแต่น้ำฝ น, นทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมน้ำฝ น, นทุกวันในเมืองนี้ตกวันแล้วดื่มไม่ได้นะอืมเพราะอะไรเพราะเมฆหมอกที่ผ่านบรรยากาศชั้นบรรยากาศในเมืองมันผ่านอะไร <Okay. S 1> อ่าผ่านชั้นบรรยากาศที่เป็นฝ้าแห่งสารเคมีต่างๆ เมื่อก่อนนี่นะสังกสีบ้านนอกมุงสังกสีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มุงสังกสีไม่ได้เพราะอะไรฝนที่ตกลงมามันไปกัดกัดทังกะสีทะลุอ่อันนี้ในเมืองนะบ้านนอกม่ได้เปลี่นอะไรนในเมืองเพราะชั้นบรรยากาศมันเต็มไปด้วยสารพิษอะไรต่าง ๆ, ๆที่เราพุ่นออกทักวันปล่องควันของไอโรงงานฝนตกลงมาก็ผ่านชั้นบรรยากาศตรงนี้พาเข้ามาด้วยเห็นไหม อันนี้พูดถึงว่าจิตของเราเดิมแท้นั้นมันไม่ขุ่นมัวมันใสสะอาดเหมือนกับพระอาทิตย์แสงพระจันทร์พระอาทิตย์แต่บางวันแสงพระอาทิตย์ก็ขุ่นมัวบางวันแสงพระจันทร์ก็อับแสงไปเพราะอะไรไม่ใช่เพราะแสงมันไม่มีหรือแสงมันโหดมันหายไปไม่ใช่แต่เพราะสิ่งที่บดบังอ่าสิ่งที่บดบังเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นอฟ้าอะไรต่างๆ จิตของเราความรู้สึกตัวของเราเดิมแท้เนี่ยถ้แต่เกิดจนตายเนะมันไม่เคยว่ามันหายไปนะเมื่อไรความรู้สึกตัวนี้หายไปก็หมายความก็หมดชีวิตเท่านั้นเองมันแจ่มจ้ามันเรืงได้เกิดจนจนพุกวันเนี่ยแต่บางวันมันก็รู้สึกสบายบางวันรู้สึกไม่สบายเพราะอะไรนั่นแหละคือเมฆหมอกของมันวันไหนรู้สึกสบายก็หมายความมันแจ่มจ้าขึ้นมาวันไหนรู้สึกไม่สบายมันถูก เม่หมอกบดบงังนะบอกตรงนั้นเกิดจากอะไรเม่หม อ, อกที่ทำให้จิตไม่สบายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดที่ประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่เห็นไมเพราะฉะนั้นตัวจิตเดิมแท้ไม่ได้สกปุกหรือขุนมัวแต่ไม่หมอกที่อยู่ชั้นบรรยากาศชั้นล่างต่างหากที่เข้าไปบดบงังเราจะเห็นได้ว่าเวลาเรานั่งเครื่องนะ ถ้าเหนือชั้นบรรยากาศขึ้นไปอยู่เหนือเมฆไงนะเรามองมาเห็นพระอาทิตย์แจ่มแจ๋วะไรนะไม่ไม่มีอะไรขุ่นมัวแต่พอเครื่องปลุกลงใต้ก้อนเมฆทีนี้ก็พระอาทิตย์เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรทีนี้ที่ของเราก็เหมือนกันชั้นบรรยากาศที่มาทับผมกันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นห น, นามากเท่าไหร่โอกาสที่มันจะบด บ, บางเมฆก็หนาเท่านั้นเราจึงเรียก คนที่มีอารมณ์อยู่ตลอดหรืออารมณ์ที่มันขึ้นขึ้ข ล, งลงตลอดเวลาเรียกว่าปุถุปุถุชนหรือว่าคนหนานะเหมือนกับชั้นบรรยากาศในที่นั้นมันหนาด้วยเมฆหมอก <c oughs> นหนาด้วยเมฆหมอกบางครั้งออกมาหวาดเสียวกันนะว่าเวลาเครื่องบินโผลขึ้นเนีืยเมยมันก็โผลขึ้นมาไปเจอเครื่องบินอีกเครื่องหนึ่งโผล่มาจ้ากันคกัน <c oughs> <c oughs> ก็มีมีเลเซอร์คอนโทรลอะเรดเดนดา <c oughs> มาเคยนั่งเครื่องมาละมาที่ไอ้เซนเดโก้เนี่ยโอ้มันมันฝังอยู่ในเมฆตั้งนานไม่รู้ว่าที่ไหนโฟลโพคลขึ้นมาเห็นอีกคันหนึ่งก็บินอยู่ทางนู้นดูด้นานโน้นเหมือนกัน <c oughs> จะตายอยู่เหนือเมฆเหมือนกันนะเขารู้ระดับเวกเตอร์ค่ว่าจะต้องไปที่ไหนเออนั่นเอ ใช่นั่นแหละมาก็กลัวแบบนั้นในกลัวแบบนั้นอ่ะมันมันมุดมุดฝังอยู่ในเมฆไปเจอกลางชี่ย่างน่ไไม่รู้ใครเป็นใครแล้วมั่วอะไรทีนี้มาเออที่คนที่มันอารมณ์มันชนกันทุกวันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอพูดกันไปพูดกันมาคําพูดมันชนใจกันแล้วทีนี้ได้เถียงกันเลยจะนั่นเองคนมันได้ทะเลาะกันทุกวันก็เพราะว่ามันขับเครื่องบินมันในระดับเดียวกันะแต่ถ้าคนต่างระดับมันมันไม่เป็น มื่ก็ม well, <tr. S 2> ีอกาสไดทะเลาะกันน no kind of ัะแต่คนระดับเดียวกันทะเลาะกันไม่บ่อยใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าพ่อระดับหนึ่งลูกระดับหนึ่งไม่ทะเลาะกันไม่ใช่นะระดับในที่หมายถึงระดับจิตวิญญาณไม่ใช่ระดับของอายุพรรษานะฮะถ้าหากวาเราทะเลาะกับคนไหนก็หมายความว่าคนคนนั้นมีระดับจิตวิญญาณระดับเดียวกับเราเอแต่ถ้าหาระดับที่สูงกว่าเราเขาไม่ทะเลาะกับเราหรอกหรือเด็กๆระดับต่ำกว่าเราเราก็ไม่ทะเลาะกับเด็กใช่ไหมสังเกตง่าย แต่ถคนระดับเดียวกันสลับจิตระดับเดียวกันนะได้ทะเลาะกันก็เหมือนกับเครื่องที่มันวินงในระดับเกียวเดียวกันมันชนกันได้เนะีอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ที่เป็นลูกธรรมแต่เราทําไมไม่เท่าทันนะเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของจิตนะเราจะทำยังให้เกิดประสบการณ์ก็ต้องมาฝึกมาทําบ่อยๆอย่างเงี้ยท่านบอกว่าบุคคลตั้งแต่นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่ทะเลาะกับใคร S <S <S มีไหมว่มาพระโฉดดาวันไปทะเละกับพระสกิทาคามีพระกิจการไปทะเละกับพระอนาคามีแ้วพระอนาคามีไปทะเลกับอรหันเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าต่ากว่าพระอนาคามีลงมาทุกระดับต้องทะเลาะกันเพราะมันอยู่ในชั้นบรรยากาศเดียวกันคือชั้นบรรยากาศโลกิยะแต่พ้นจากระดับโลกิยะเป็นโลกุตตะล่านี่ในชั้นเดียวกันระดับโลกิยะโลกุตระล่นี่ยก็จะไม่ทะเลาะกันไม่เข้ามองตา ก, กันแล้วเข้าใจถึงใจแล้วว่างั้นเถอะ คนในระดับนี้แต่ว่าในาระดับศีลธรรมนะคนที่มีระดับจิตสูงเนี่ยอย่างระดับพระพุธเนี่ยเขาก็จะไม่ทะเลาอะกอับเทวดาแล้วระดับกเทวดาเขาก็จะไม่ทะเลาะ ก, กับมนุษย์แต่มนุษย์เกิดทะเลาะ ก, กับมนุษย์เทวดาก็ทะเลาะ ก, กับเทวดาพระพุธก็ทะเลาะกับพระพุธแต่พระรีเากับพระรชีเจ้าไม่ทะเลาะ ก, กันละเพราะว่าอยู่พนระดับดังนั้นอันนี้ในบรรยากาศโลกก็เหมืนอนกันนะะพวกอ่าใค่ทะเลาะ ไพร่เจ้าทะเลาะกระเจ้าเจ้าทะเลาะ ก, กับไพร่ก็อยู่ในชั้นบรรยากาศเดียวกันแต่ว่าชั้นทางสังคมต่างก็จริงแต่ว่าชั้นระดับจิตไม่ได้ต่างกันนะอันนี้คือข้อที่จริงที่เราต้องเข้าใจแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในครอบครนะัวเนี่ยเราไม่อยากทะเลาะกับใครเนี่ยเราจะทําได้ไหมในครอบครัวถ้าเราอยู่เฉยๆโดยที่ไม่พัฒนาระดับจิตนะี่จะเป็นไว้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะอะไร บางครั้งเขาชวนทะเลาะเราก็ไม่ทะเลาะด้วยเนี่ยแต่ข้างในมันเป็นไงข้างในมันทะเลาะหนักเย <c oughs> ลยการทะเลาะข้างในเราเราไม่ไม่แสดงออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอเขาเรียกบรรยากาศที่เก็บกดใช่ไหมแล้วก็ผูกอาฆาตด้วยนะเดี๋ยวถ้ากูมีโอกาสเอาคืนแล้วหนักกว่าเก่าเหมนนั่นอนะ่ะบางทีไม่ทะเลาะโดยคําพูดหรืออาศัยการกระทำเนี่ยอาฆาตไว้นี่อันนี้ก็เป็นการทะเลาะอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ท่านก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องดูบรรยากาศโลกแห่งความเป็นจริงกับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันอันเดียวกันแต่ว่าบางครั้งเราอาโอปัญิโกไม่ได้ไงเพราะว่าเรายโยงเหตุอในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็นามาทำไม่ได้เพราะเรายังไม่เกิดโอปัญญโกแต่เมื่อใดเราเกิดโอปัญิโกูเราจะเห็นชัดเลยว่า อะไรเป็นอะไรแล้วที่นั้นแหละจิตของเราก็จะสูงขึ้นโดยลำดำับเพราะเราเห็นลูกกระทำชัดโลคุตระทำชัดทีนี้เราก็จะเห็นแล้วก็อ๋ออืมมันง่ายแล้วทีนี้เขาดูดูเขาเมื่อก่อนเราก็อู้เวลาเรายังไม่ได้ฝึกปฏิบททัติทีนี้นะถ้าเราไปเจอคนแบบนี้แล้วที่เราเคยเป็นอู้เทียงกันหน้าดำหน้าแดงเลย แต่เดี๋ยวนี้ไปเจอกันเราดูแล้วอน่าสงสารนะน่าสงสารเขาก็อเขาถ้าเขายังไม่ได้พัฒนาตัวเองนะเขาก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละอะไรที่ไปตำใจคําพูดอะไรที่ไปถูกใจเขาก็ยังทะเ ล, ะลาะกับเราเหมือนเดิมแต่ที่นี้เราได้พัฒนามาแล้วเนี่ยเอาไม่เหมือนเดิมแล้ะเพราะว่าคําพูดอันนั้นไม่ถูกใจของเราเพราะมันมามีตัวสติมากั้นใช่ก่อนพอตัวสติามากั้นใช่ก่อนเราก็เฉยได้ยิ้มได้แล้วก็ไม่เกิดภาวะกดดันด้วย ไม่เกิดภัว่าอาคาตพยาบาท้วยนะซึ่งเรื่องนี้มันจึงมีผลเอื้อต่อชีพจวันอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะสมมติเราเป็นผู้กาลังปฏิบัติอยู่เราก็จะไม่เสียเวลาไปทะเลาะ ก, กับคู่ที่ไม่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราดีกว่านะแต่ว่าเราเห็นโทษเห็นคุณแล้วไงเราเห็นถึงประโยชน์และอันนี้สูงของการทาอย่างนั้นเราถึงไม่ทา แต่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่เห็นโทษเห็นคุณยังแจ่มแจ้งเกี่ยวกับการทาอย่างนั้นเพราะการกระทําอย่างนั้นก็คือเราสร้างทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราเองก่อนแล้วถึงจะทําได้ถ้าเราไม่เกิดความทุกข์ในใจในใ น, ในในใจของเราเองก่อนเราจะไปทําอย่างนี้นไม่ได้นะเพราะว่าการที่เราได้แสดงออกมาทางกายวาจาเนี่ยหมายความมันมันก็ออกมาจากจิตเป็นเป็นกายกรรมวิจีกรรม พอที่ออกมาเป็นกายกรรมวจิกรรมในสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ดีเนี่ยมันก็ออกมาจากมาโนกรรมเสีย ก, ก่อนและมโนกรรมตรงนี้มันเป็นลำดับที่เป็นผลแล้วนะเหตุของมโนกรรมมาจากอะไรเหตุของกรรมเริ่มตัวมาจากอะไรเริ่มต้นมาจากอวิชาวิชาก็ให้เกิดตัณหาตัณหาเกิดอุบทานอุบทานก็เกิดกรรมใช่ไหมกรรมเป็นผลนะอย่าป้อง มีกรรมอะไรเกิดขึ้นโดยนี้เห็นตัวเองไหมกายกรรมเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอากุศลกรรมแล้วอากุศลกรรมยังไม่เห็นเลยสติยังไม่เห็นเลยนะเอเราก็ต้องขยี่ตาแรงๆบีแขงบีบ้าแรงๆหายใจลึกๆแก้ ก, กรรมตัวนี้ได้แก้ได้ทันทีถ้าเราไม่มีสติแก้ไม่ถูกเราก็นั่ง ง, ง่วงเงียบๆอยู่อย่า ง, งนี้นี่ที่มันยากเห็นไหมเห็นเฉพาะหนายย้างเงี้ยทํามาไม่จะไปตัววิชิตเอาไกลๆหรอกทำมามันเกิดขึ้นในเห็นแต่ละเวลาแต่เราจะทันหรือไม่ทันมันเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ไวเป น, นึกเอาน ะ, ะมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าขนาดนั้นนะทีทีเราก็มาดูเอ ม, าามันทำมันจะง่วงเอาเราหลับตาให้มันถ้าเราลืมตากว้างๆมันก็จะไม่ ง, ง่ว ง, งนะได้เห็นไนะอันนี้หลับตาให้มันเราหายใจแผ่วๆ<อ> แบบนี้หายใจแผ่วๆหลับตาสนิทสนิทหายใจแผ่วๆเราไปแล้วสักพักหนึ่งมันไม่รู้ตัวเราเอามาเองว่านั่งว่าครั้งนั่งหลับตามาว่าไม่ง่วงนะเพื่อนอยู่ข้างหลังเขาบอกหลวงพ่อสงกไปหลายทีแล้วว่างั้นไม่รู้สึกว่าได้สงกเลยนะมันไม่รู้จริงๆเพราะมันไวจริงบางครั้งเราบอกเรานั่งเที่ยงนะแต่คนที่เขาดูข้างนอกมันไม่เที่ยงแล้เราโยกไปเยกมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจงพยายามตื่นตัวไว้ก่อนเพืปลอดภัย ทำไมเองก็เรียกว่าไมา่ค่อยกล้าหลับตาแล้วเดี๋ยวนี้มันเผือมันตอนเราทุกทีแหละมันไม่เข้าใครออกใครนะกิเลสดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวกรรมเนี่ยมันเป็นผลเหตุมันอะไรเหตุของกรรมก็คืออุปาทานเหตุของอุปาทานคืออะไรก็คือตัณหาเหตุของตัณหาคืออะไรคืออวิชชาเห็นไหมไล่ไปไล่ามาเข้ามาลงตัวอวิชชาคืออะไรอวิชชาก็คือการไม่ ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอวิชชาอะไรที่เป็นจริงในส่วนที่เป็นสมมุ ต, ติสัจจะก็เป็นจริงแบบสมมุติในปรมาสัจจะเขาเป็นจริงปรมัตัเราไม่ทันมันมันก็เกิดขึ้นจุดนี้ เ, เรียกว่าอวิชชาเราจะมาเรียกตัวเพ้อบ้างตัวไม่่ามีสติบ้างตัวไม่รู้เท่าทันบ้างแล้วแต่จะเรียกแต่รวมเรียกว่าอาวิชชาซึ่งจุดที่เองเราจึงมาสร้างตัววิชาขึ้นมาบาลานมันนะ เพที่จะอ่าเปลี่ยนแปลงมันที่ไอตัวถามว่าอวิชชาเนี่ยมันมีตัวตนไหมที่นี่แปเออกมันออกได้ไงมันไม่มีตัวเออสมมติควอมืดเนี่ยมีตัวตนไหมมีแต่มีแต่ตามันเห็นเท่นัแต่ไปสัมผัสไม่ได้แสงสว่างมีตัวตนไหมมีแต่ว่ามือมัจับมันไม่ได้มันเป็น อ่าเห็นมาเท่านั้นมีตัวที่เราเห็นเท่านั้นทีนี้มันไม่มีตัวที่จะไปจัดการน่ะไม่มีตัวที่จะให้มือรูบไปจัดการได้จะทําไงท่านบอกว่าให้ทําสิ่งดูกันข้ามส่วนมืดสิ่งต ด, ดูข้ามกับมืดคืออะไรสว่างใช่ไหมก็ไปสร้างแสงสว่างขึ้นมามันก็ไปจัดการไล่ของมืดถามว่าอวิชชาคือความมืดแต่มีตัวตวนไหมไม่มีทีนี้จะไปจัดการกับความ มืดคืออวิชชาได้ไงก็มาสร้างแสงสว่างคือวิชาขึ้นคือความรู้สึกตัวเป็นวิชาความเผลอความไม่รู้สึกตัวเป็นอวิชาเมื่อขจัดต้นเหตุคือความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกตัวแล้วความอยากคือตัณหามันจะเกิดไหมก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปทานเกิดไมไม่เกิดเมื่ออุปทานไม่เกิดกรรมก็ไม่มีเห็นไหม นี่คือเป็นฝ่ายโลกุตละแล้วนะแต่ฝ่ายโลกิยะนั้นเราต้องบอกกรรมมีนะแต่ขึ้นไปโลกุตละกรรมไม่มีอเพราะอะไรเพราะมันมันมันเหตุที่จะสร้างมันไม่มีอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันไม่มีเหตุที่จะต้องมีเพราะกรรมนั้นเป็นผลใช่ไหมม่อไม่มีอวิชชาเป็นเป็นเหตุเนี่ยกรรมจะมีผลมันไม่มีเพราะกรรมมันเป็นผลกรรมไม่มีเป็นอากรรมเราเดียกอากรรมนะ พระเลี้ยวพระอรหันต์ทำกรรมไม่เป็นกรรมทําบุญไม่เป็นบุญทําบาปไม่เป็นบาปเพราะท่านไม่มีเหตุทั้งมันน่ะท่านไปดับเหตุหมดคือเหตุทุนอวิชชาเป็นตัวสร้างแต่พอท่านมีวิชาคือความรู้สึกตัวต่อเวลาทีนี้อ้าวทาไมอ่ะท่านยังทํามันนั้นอยู่ทํามันนี่อยู่บอกว่าไม่ไม่ไม่ทํากรรมได้ทําแต่ว่ามันไม่เป็นกรรมทำไมจึงไม่เป็นกรรมเพราะไม่มีเจตนาเพราะท่านเรียกว่าเจตนาคือกรรม เจตนาหั่นกรรมวัฏธรรมิเราจะว่ากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมแต่ท่านสร้างกรรมดีที่ท่านทําดีเนี่ยถ้าไม่ได้เจตนาจะสร้างกรรมดีนะสมมติว่ายายป้องเนี่ยเดินทางไปสะดุดหกล้มออกมาเห็นแล้วมาก็หายาไปใส่หัวไม่ตีนยายป้องหัวจีนแตกเขาเข่าแตกเอายาไปใส่ให้ถ้าจะมาเป็นพาาระรหันสนี่ถือว่าอามาทํากรรมดีไหม ไม่ไม่ได้ทําคําที่ถือว่าสงสารยายฟองไม่ใช่สงสารแต่ว่าเป็นหน้าที่ะหน้าที่ว่าลูกนาวันนี้มันมีอวิชชาอยู่ก็เอาอาวิชชาเอาวิชาเข้าไปแก้ไขเ ป, เป็นแค่กิริยาเป็นแค่กิริยาอ่าเป็นแค่กิริยาอ่าไปกิริย า, า, าทําตามหน้าที่ของมันอย่างสมมติว่าโอ้แดดร้อนๆมันบอกว่าออเออฝนตลกลงมาหน่อยก็ดีนะ เออบางเอื่นฝนมันตกลงมาถือว่าฝนนั่นได้บุญไหม <c oughs> เอาแดดเพี้ยงเพี้ยงโอ้โมนุษย์ตากแดดตากแรงทุกทรมานมากถือว่าแดดทําบาปไหมไ ม, มันทําหน้าที่ของมันนะใครจะอ่าไม่เป็นบุญเป็นบาปในการกระทำมั น, นั้นเห <c oughs> มือนกันการกระทําของผู้ที่ไม่มีกิเลสก็คือเป็นกิริยาคือไม่เป็นบุญเป็นบาปเพราะท่านดำทาหน้าที่หน้าที่ของท่านคืออะไร หน้าที่ของผู้ที่บุญกิเลสสามอย่างคือเมือ่อคราวที่แล้วก็พูดวนะ่งมีอะไรบ้างหนึ่งหน้าที่จะทําชีวิตนี้ให้บริสุทธิ์อสองหน้าที่จะทําชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์คือใช้ปัญญาสามหน้าที่ในการจะดูแล ร, รักษาสัมภัสสัทว์ทั้งหลายเรียกว่าการุณานี่หน้าที่สามอย่างของท่านบอกพุทธคุณแต่ไม่ใช่คุณของพุทธิจารนะคุณของพุทธกิต จิตที่มีคนไหนก็ตามพุทธจิตของคนนั้นสมบูรณ์แล้วน่ะจะมีคุณสามประการแต่บาคนไปหมอเฉว่าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่คุณของทุกคนที่มีพุทธจิตสมบูรณ์แล้วจะมีคุณสามประการนี้นะคือบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณและกรุณาที่คุณเพราะไปใช้พระพุทธเจ้าได้ใช้ก็ว่ามหาบริสุทธิที่คุณมหาปัญญาคุณมหากรุณาที่คุณท่านใช้เติมมหาเข้าไปนะ ดังนั้นเองเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลที่จองตามเห็นได้ไม่ใช่เป็นไปโดยบังเอิญหรือไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่แต่ที่นี้เราผู้กระทำํำผู้ปฏิบัติผู้ดําเนินอยู่จะทําอย่างไรให้มันเป็นจริงก็ต้องเห็นของจริงเสก่อนถ้าไม่เห็นของจริงเนี่ยเราจะไปสู่ความจริงได้ไหมไม่ได้ของจริงคืออะไร อของจริงคืออะไรเรานั่งปวดขาเนี่เป็นของจริงไหมยายบองเออเห็นไหมรู้ได้ไงว่าเป็นของจริงอเราเห็นมันในหัวใช่ไหม อ, <c oughs> อ่อมันไม่ได้แกล้งทำนะมันไม่ได้แกล้งปวดขาเนี่ยไม่ได้แกล้งเลยนะอ่มันมปวดให้เราเห็นจริงๆแต่เรารู้จักมันหรือเปล่านี่เห็นหถ้ารู้จักมันอ๋อที่นี้รู้จักจริงหรือเปล่านะ รู้จักว่าอ่ารู้จักให่เมื่อไหร่จะเจงพ่อจะเลิกพูดดีฉันจะได้ไป น, นอนที่ทีจะได้ไม่ปวดว <informative S 1> จิตคิดออกแล้วใช่ไห <aluminium> มอันนั้นเห็นอันนั้นคิดอย่างนี้ถูกไหมเวลาเห็นของจริงคิดอย่างนี้ถูกไมไม่ถูกเป็นถูกเหรออ้าวเพราะอะไรไม่คิดอย่างั้นอ้าวันน้คิดอย่างนั้เเนเขาคิดอย่า ง, ง ไ, ไรคิดอ๋อฉันปวดขา คิดไปมันปวดอ่หกขากขเียนอ๋ อ, นอนคิดไป่นเคยหากขากูขาเขียนมาแล้วมันถึงปวดตอนนี้คิดอันนั้นคือเรื่องคิดดีแต่ไม่ถูกคิดดีแต่ไม่ถูกบางทีคิดถูกแต่ไม่ดีก็มีนะอันนี้ในเร็วคิดดีแต่ไม่ถูกเอทาทำไมจาึงพูดอย่างนั้นก็ว่าที่มันปวดอันเนี้ย เ, เ, เอา ความปวดมีจริงไหมชอบเล่นโขดเล่นแกะแล้วก็จับมันขัดสมาธิเดี๋ยวถามกูดิอ่าเล่นเล่นโ ด, นโดนไประจําคนมานั่ง เ, งเห็นไหมเขาเล่นเล่นแบกซุกซนกรรมเลยซับซ้อนอย่างนี้ เอาไฟให้ช่วยเห็นเป็นเลืดเลือดเหงาแก่แบบนีนีนะทิงได้ปวดมากอันนี้เป็นพิเศษนี่แก้ไขยากเลยเพราะกลับมันซับซ้อนอย่างเงี้ยนเนาะเอาเดี๋ยวถามกันว่าในขณะนั่งเนี่ยเราบอกว่าเราปวดขาจริงๆแล้วอะไรปวดบอกว่าลูกปวดอ่าลูกปวดใช่ถ้าบอกว่าขาเราปวดเนี่ยมันมีขาไม่จริงๆเนี่ย ขากับรูปเนี่เดียวกันแต่ถ้าคุณว่าขาเนี่ยมันก็จะเป็นขาเราอลไรใช่ไหมเออมันมันมันก็จะมีความเป็นเจ้าของอยู่ในนั้นท่านจึงเอาสมมติตัวขาเสียให้มันเป็นมาพูดคําเดียวว่าเป็นรูปรูปทีนี้กฎของรูปมันจะต้องมีกฎของมันว่ารูปจะต้องเป็นยังไงเสมอต้องเปลี่ยนแปลงเป็นนิจจังใช่อ่าทุกขังคือมันปวดนั่นแหละแล้วปวดนั้นมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไหม ไม่ใจร้อนหรอกพอขยับมันก็นอพอเปลี่ยนท่าก็หายแล้วเ <c oughs> พราะอะไรเพราะมันเป็นอ น, นัตาตาเห็นไหมมันหายได้ทีนี้เราจะเข้าไปดูตัวนี้ยมันก็ไม่ใช่ขาแล้วมันก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงเลือกลูกเพราะลูกกับคำว่าอ น, นิจจังทุกข์ังเป็นอันเดียวกันแต่ลึกสั้นๆว่าลูกแต่เจ็บเรียกโอ้ตนอนนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้ว น, นั้นเนี่ยมันก็ยาวไปใช่ไหมตอนนี้มันมันเกิดทุกข์ละมันเกิดทุกข์คือลูก ที่ไหนมีลูกที่นั่นก็มีทุกนะที่ไหนมีลูกที่นั่นมีความไม่เที่ยงที่ไหนมีลูกที่นั่นมีความเป็นอนัตตามีอยู่รู้อย่างเนี้ยอ่าทีนี้เวลาเกิดปวดขา ข, าขึ้นมาเราจะวยมัวทุกขงังทุกขงังอันนี้จังอนัตตาีนถูกไหมไม่ถูกอีกแล้วอันนั้นเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงรู้ว่าอ๋ออันนี้มัน ล, ลูกโรคมันไม่สบาย ก็รู้ถ้าจะศึกษาเอาธรรมานะก็รู้ออลู่ไปอย่างนี้เองอ๋อมันปนเป็นอย่างนี้เองถ้าดูไปอีกหน่อยสิมันเปลี่ยนวดมากกว่านี้ไป็นยังไงใจเราสู้ทนไหวไหมถ้าดูอย่างนี้เขาเรียกว่าดูเพื่อศึกษาเพื่อให้จิตฝึกจิตได้อยู่ไม่เสียีเครื่องเราก็จะมีความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆอปวดแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหาก เราดูเป็นนะดูว่าอันนี้คือการคืออานิจังทุกขังอนัตตาเราต้องการศึกษาศึกษาอานิจังทุกขังอนัตตาของจริงเนี่ยมันปรากฏให้เห็นแล้วศึกษามันลงไปอ๋อเป็นอย่างนี้ทีนี้จะให้อานิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันน้อยลงหน่อยขยับมันนิดหนึ่งอย่าให้มันหมดเดี๋ยวมันไม่มีที่ศึกษามันค้างสักหน่อยนึ่งเดี๋ยวจะไม่ไม่เห็นมันมันเป็นเพื่อนเราเพื่อนดีของเราอ่ะฉันบอกว่าอานิจังทุกขังอนัตตาเหมือนคน ที่รักเรานะแต่ความสุขที่ไม่ให้มีมันเนี่ยเหมือนคนที่เรารักเราคนที่รักเราทุกเนี่ยเหมือนคนที่รักเราสุขเนี่ยเหมือนคนที่เรารักต่างกันไหมคนที่รักเรานี่หมายความว่าเขาจะติดตามเราตอลอดเวลาใช่ไหมอย่างพ่อแม่เนี่ยคนที่เรารักหรือแฟนของเราเนี่ยเป็นคนที่รักเรา แต่ถ้าคุณี่เราลักไงเราเขาไม่ค่ยลักเราหรอกแต่เราลักเขาอะเราก็ตามเขาแล้วที่นี้ใช่ไหมตามง้อเจ้างอนเขาเขาไปที่ไหนก็ตามงอนลูกหลานเนี่ยตามงอนเตามงอนเขาสมัยโน้นนะสมัยไอ้ยายป้องเป็นสาวตามบ่าวนั่นแหละเขาไม่เคยตามเออตามเราเนี่ยไม่ไม่สมัยนี้เออไม่เหอนสาวผู้ชายเออเลยสมัยตามผู้ชายไปหาผู้หญิงเออเไม่เห็นนะทำไมจึงพูดอย่างนั้น ทุกอ่าทุกเหมือนคนที่รักเราหมายควาว่าเขาเราจะอยู่ที่ไหนเขาติดตามเขาไปเราไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามจะหลับจะนอนเขาก็ตามเราไปเรื่อยๆใช่ไหมบ้านเราทำนาเขาไปช่วยเราเขาเชื่เราเนี่ยเหมือนคนที่เราเหมือนคนที่รักเราตามไปด้วยทุกเหมือนคนที่รักเราเพราะมันตามเราไปทุกหัวทุกแห่งแต่สุขเหมือนคนที่เรารักเราก็ตามเข้าไปแต่เคยเจอเขาบ้างไหม ไม่เจอหรอกเราทําถ้าจะเจอเอาหายไปแล้วเราทำเจอหายไปแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาคนไหนไงระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เรารักเราจะอยู่กับคนไหนแล้วเอาคนเขารักเราเออคนที่เราดักแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ใช่อย่างงั้นเราตามหามันอยู่อ่าตามหาสุขอยู่วันไหนไม่ไม่มีความสุขแล้หูกระวนกระวายแล้วทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วตามหาไม่เจอ แต่ไอคนที่รักเราอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรากลับไม่ไม่ไม่ใส่ใจนะฮะ <c oughs> ดังนั้นเองอันนี้คือเรื่องจริงของชีวิตเอามาเล่าให้สู่ฟังเพื่อเราจะได้เห็นของจริงได้ไวขึ้นเราจะไม่รังเกียจทุกข์แต่เราจะรู้สึกเพื่อนรักอย่ามารังแกกนันนะอย่ามาหยิบมาหยิบมาขวัชนะก็สนทนากับเขาดีด เนี่ยอย่าไปอาคารมั่นรายอย่าไปเกียรติชงเกียรตชงชังเขาก็ศึกษากับเขาอ่าล้วก็จะอยู่อืมเราจะอยู่ด้วยความทุกอย่างมีความสุขนะะเราจะอยู่ความกับความทุกอย่างมีความสุขแต่วันไหนที่เราเผลอคิดประยาวยาๆนะเราจะปรับให้มันหายทุกน่ะหูยากมากนะ มารู้สึกเลยวันไหนที่กินข้าวเหนียวเยอะๆเนี่ยโอ้โหก็ทรมานมากเลยเอลยนะเห็นไหมโอ้โหก่อนมันจะออกไปได้ในเดินจะกลมเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ยอมหนีเลยนะฮะหนีแล้วมันก็ตามก็ตามไปอเพราะฉะนั้นรู้จักเหตุมันนะเหตุอะไรที่เป็นของความเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็อย่าไปทําสิ่งนั้นเยอะๆทําไมเรากินข้าวเหนียวเยอะเพราะเราอยากเนี่ยกินได้อร่อยด้วยความอยากเพราะนั้นจะเห็นความอยากก่อให้เกิด ก็ทานก่อนๆนะมาตุกค้างมันไม่โทษป็นหรอกเปยนเงี้คนที่แจกข้งเราคนที่ไนั่นเที่ยมากำลังจะห้ามอยู่เนี่ยยังง่วงเลยนะหออม่ยิ่กำลังจะห้ามอยู่เนี่เอามาก็นึกได้เนี่ยมันอยู่เพราะเขาเอามาเราไม่ฉลองศรัทธาก็กลัวเขาเสียศรัทธา มั น, นนะไม่ใช่หรอกครับมันตัวมันอิริศแต่มันเป็นตัวรวมไม่ใช่ใชว่าตัวมันโดี่ยวๆ ห, หลายๆเหตุหลายปัจจัยนะแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งเมื่อวานที่เป็นคาให้เราจิ้มกเคเหนียวหนิเอาละนะอย่า ป, ป้องอย่าแทรกแซงปล่อยธรรมาว่าไป <c oughs> นั้นเองตั้งใจสร้ า, ง, างจังหวะนะสร้างเยงวะให้ดี ดังนั้นเราจะเห็นว่าการพิจารณาความจริงเนี่ยถ้าดูๆแล้วนี่เป็นเรื่องสนุกเพราะมันเป็นของที่หาได้ไม่ยากแต่คนเราที่ยังไม่เจอของจริงจึงไม่อยากจะอยู่กับความจริงนะถ้าเรายังไม่เจอของจริงเราจรึงไปสนุกกับความเท็จอยู่ไปสนุกกับรูป ก, กับเสียงจินรถข้างนอกนะและชาวบ้านที่เขาไม่ได้ฝึกหรือฝึกแล้วก็ตามวันไหนนึกคลุม้มคลุ้ขึ้นมา แทนที่จะกินอาหารในบ้านเขาก็ชวนไปกินนอกบ้านนะร้านไหนดีได้ดื่มไปกินไปเล่นไปสนุกถ้าสมมติว่าคนไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็ร้อยทางร้อยก็ต้องไปอย่างนั้นทางนั้นเพราะจิตของเราของเขาไม่ชอบความจริงความจริงที่ที่แท้ก็คือว่ามันมีอยู่ความทุกข์ก็มีให้เห็นอยู่ความสุขก็มีหเห็นอยู่แต่เขาเอาไม่เป็นไงเขาเอาไม่เป็นเขาก็นึกว่าความสุขมันนู่น รสอร่อยอร่อยรูปสวยสวยสัมผัสดีดีอารมณ์สนุกสนุกอั น, นันคือความสุขบุรุษชนไปเห็นความสนุกเป็นความสุขเนียแต่พระอริยเจ้าท่านเห็นความสงบเป็นความสุขบุรุษชนไปเห็นความสนุกเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงหาให้ศึกษาของจริงเมื่อศึกษาของจริงเช่นว่าเราปวดขาเนี่ยปวดขาเป็นของจริงไหม เป็นของจริงแต่ของจริงระดับสมมุติมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่เราจะต้องหาความจริงอีกระดับหนึ่งที่เกิดแล้วมันไม่ดับมีไหมที่เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับว่างั้นเถอะที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันสงบ นะถ้าเราออกไปจากที่นี่ที่ตรงนี้ความสงบที่ตรงนี้มันหายไปไหมมันมันไม่ได้หายไปมันก็อยู่อย่างงี้แหละใช่ไหมแต่เราแสวงหามันยังไงอ่ะเออที่นี่ไม่สงบเราไปที่โน่นเถอะถูกต้องไหมนะไม่ถูกความสงบมันอยู่ทุกที่แต่ทําไมเราจะบอกว่าที่นี่ไม่สงบเราไปหาถึงความที่ว่าไม่สงบมันมันมันอยู่ที่ไหนอ่ะ ใจเรามันไม่สงบเองแต่ความสงบมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสงบนั้นเป็นของจริงเพราะมันไม่ได้เกิดไม่ดับมันมีอยู่แล้วแต่ที่ว่าเอาที่นี่ไม่สงบอันเป็นสมมุติไงเป็นสมมติว่าไม่สงบเห็นไหมความสมมติมันเกิดมันดับโอ้อพอเราหยุดอ่ามันดับละเอาเขาพูดขึ้นมาเลยรู้สึกอ่ะมันไม่สงบเห็นไหมความสงบความสุขความสงบแบบสมมุติเนี่ยมันเกิดเกิดดับดับ แต่ว่าความสงบแบบปรมาจิตมันไม่เกิดไม่ดับเราจรึงต้องการไปสแสวงหาความจริงระดับนั้นเรียกว่าโกรุตุตตะธรรมควาจริงก็ไม่ต้องสแสวงหรอกแต่ว่ามาสร้างเงื่อนไขสร้างเหตุแล้ว ร, รู้ว่าความไม่สงบนั้นเกิดจากไหนความสงบเกิดจากไหนนะนะ พยานันพุทธเจ้าหรือพระอินท้งที่ว่าเตสังวูปสโมสุโคนะหมอนิจจาวัฏสังฆาาอุปวัวยธรรมีโนอุปชิตวานิุชันติเตสังวูปสโมสุโคว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีการเกิดการดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการไม่เกิดไม่ดับของความคิดเป็นยอดของความสุขเตสังวูปสโมสุโค การที่ไม่ต้องคิดไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันดับเพราะมันไม่มีแต่ที่มันเกิดมันดับก็เป็นสมมุตินะว่าเออเวลาเป็นอย่างนี้เรียกว่าเกิดนะเป็นอย่างนี้เรียกว่าดับนะเวลาความปวดขามันปวดติดอยู่แล้วมันเกิดอเราพลิกไปเอามันดับไปแล้วความความปวดนันดับไปแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นสมมติเพราะเป็นใจลักมันจะเป็นสมมุติอยู่อย่างนั้นแต่ อีกตัวหนึ่งถ้าจิตของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด้นนั้นอ่ะจิตของเราก็ยังสงบอยู่เหมือนเดิมถึงการเจ็บปวดนั้นจะเกิดขึ้นไม่เกิดเพื่อตามจิตก็สงบเหมือนเดิมไอความสงบของจิตนั่นเองเขาเรียกเป็นปรมัดนะแต่ว่าความสงบภายนอกนั้นเป็นสมม ต, นะตินะถ้าหากว่าใครไม่มาสร้างเสียงแล้วมันก็สงบแต่ใครมาทำเสียงดวนั้นนะมันก็ไม่สงบอ่ะ เห็นไหมมันยังมีความสงบที่เป็นเกิดดับอยู่ข้างนอกเนี่ยแต่ความสงบภายในคือจิตที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นสงบที่ไม่เกิดไม่ดับเขาเรียกว่าอสังคตธรรมที่ไม่ปรุงแต่งการไม่ปรุงแต่งมันไม่มีเกิดไม่มีดับล่ะดังนั้นเราจึงมาสร้างตัวเงื่อนไขที่จะไม่ให้ปรุงแต่งคือมาอยู่กับตัวรู้ที่มันไม่มีการปรุงแต่งถ้าตัวรู้ที่มีการปรุงแต่งเราเรียกว่าสมมติถ้าตัวรู้ที่ไม่มีการปรุงแต่งเราเรียกว่าปรามัด ก็มีอยู่ในใจข้างเรานี่แหละทีนี้เราจะทำยังไงให้ตัวที่เป็นพรังมรให้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้มันนะสร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขมันคือทํางไงก็คือรู้ว่าถ้าจิตมันไปสร้างรูปเนี่ยการเกิดการดับก็ปรากฏถ้าจิตมันไม่สร้างรูปขึ้นมาการเกิดการดับก็ไม่มี มันก็เป็นความสงกเป็นปละมัลนะทำไงให้จิตไม่สร้างรูปอะเมื่อไหรเราสร้างจินตนาการรูปปรากฏแล้ใช่ไหมเมื่อไหรเราดับจินตนาการได้รูปก็ไม่มีมาอยู่แต่ตัวรู้สึกแล้วตัวรู้สึกนี่เราจะให้มันอยู่ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เพราะตัวรู้สึกเองก็เป็นสมมติแต่ว่ามันสามารถที่จะ เป็นเหตุให้เกิดตัวสันติตัวนิพพานได้คือตัวรู้สึกตัวเนี่ยพูดอย่างนี้อาจจะงงนะอาจจะงงเอายี่ดียบไปการที่เยากจะได้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการกะทิเลยอย่าไม่ต้องสร้างกะทิเลยเนี่ยเราจะเอาน้ํามันกะพราอาจจะสร้างน้ํามันมะพร้าวได้ไหมอืมพอรู้ว่าน้ำมันกะไอตัวกะทิเนี่ยมันไม่เที่ยงน้ำมันบูดน้ำมันเน่านะข้ามไปสมมุติ แต่ว่าพอผ่านกระบวนการตัวกะทิกลายเป็นน้ํามันนั่นเห็นไหมดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการกระบวนการอันนี้เองเราจึงเรียกว่าวิปัสนาหรือเลวัตบัตกระบวนการทําน้ํามันให้น้ํากระเทีเป็นน้ํามันคือไฟคือความร้อนเราก็มาสร้างความร้อนขึ้นสร้างตบะขึ้นกระบวนการที่จะเปลี่ยนสมมุติให้เป็นปรมัตุ์เราก็มาสร้างกระบวนการขึ้นคือมาสร้างตัวปฏิบัติสร้างตัวรู้ขึ้นแต่ในตัวรู้เนี่ยมันมีตัว สมมุติอยู่ในนั้นคือถึงเรารู้สึกตัวเราก็ยังคิดอยู่ใช่ไหมังคิดเรื่องปรุงแต่งเรื่องนั้นทั้งที่รู้สึกตัวนะก็ยังปรุงแต่งอยู่ที่นี่มันมีบ้างไหมที่รู้สึกตัวโดยที่ไม่ปรุงแต่งเลยมีบ้างไหมบ้างขณะมันมีใช่ไหมอ่ามีอยู่ให้ทําขณะนั้นให้เกิดบ่อยๆแล้วจิตของเรามันจะไปซึมซับเอง เมื่อจิตไปซึมรั์ในขณะที่จิตไม่ปรุงแต่งบ่อยๆนั้นต่อไปจิตของเรามาจะอิ่มไปด้วยภาวะที่รู้แบบไม่ปรุงแต่งนั่นตัวนั้นที่มันจะแปลงเป็นพ a r a m a t แต่ถ้าเอ๊ะถ้าจิตไม่ปรุงแต่งจะไปทำอาหากินได้ไงหลวงพ่อกลัวอย่างอ่อ า, าอเวลาไปทำอาหากินมันต้องปรุงนะอะวันนี้จะไปทํางานอย่างไรได้มาแล้วจะจับจะจ่ายอย่างไร จะเอาไปสร้างสรรค์อะไรเนี่ยอย่างนี้ถือว่าปรุงแต่งไห ม, ไมเออเรื่องนี้ชาทายนะฮะการปรุงแต่งมีสองอย่างหนึง่งปรุงแต่งด้วยอํานาจของอาวิชาสองปรุงแต่งด้วยอํานาจของวิชา ถ้าปรุงแต่งด้วยอํานาจของอวิชาเนี่ยเรียกว่าสังขารใช่ไหมหรือสังกตธรรมถ้าปรุงแต่งด้วยอํานาจของวิชาเนี่ยเรียกว่าวิสังขารหรือวิชาอันแล้วเรียกว่าปัญญาเรียกว่าญาณปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราใช้จิตทำนู้นนู้นเนี่ยก็ไม่ใช่สังขารไม่ใช่เหตุของทุกข์ไม่ใช่ตัณหาแล้วแต่กลับเป็นวญาณปัญญาเพราะฉะนั้นวพาเรามาปฏิบัติธรรมเป็น อริยธรรมแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยญาณปัญญาไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยอวิชชาตัญหาอวทานต่อไปแต่ใช้ชีวิตด้วยสติสมาธิและญาณปัญญาก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างของญาณปัญญาชีวิตนั้นก็จะมีทุกแล้วทําอะไรได้มากกว่าคนธรรมดาด้วยทําอะไรได้มากกว่าคนคิดเอาด้วยเพราะเราทําเหมือนกับคนเดินทางเนี่ยคนหนึ่งมันไม่ไม่มีไฟฉายในไปในที่มืดนะั้นแต่คนหนึ่งมันมีไฟฉายเดินทางเหมือนกัน ไอ้คนที่มีไฟฉายนั่นมันจะเดิน ท, ทางได้เร็วกว่าและปลอดภัยกว่าไอ้คนที่มีไฟฉายแต่คนคิดด้วยอวิชชาเนี่ยเหมือนคนกําลังเดินไปทางที่มืดแต่คนคิดด้วยวิชาเนี่ยเหมือนคนเดินไปทางที่สว่างและมีแสงสว่างนําทางและจะไปได้ไวกว่าถึงบอกว่าคนที่ไม่ปรุงแต่งจะทําอะไรได้มากกว่าเอ๊ะบอกว่าปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งจะทําอะไรมากกว่าได้ไงนั่นแหละ เราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเราทํางานด้วยแสงสว่างแห่งยานปัญญาเพราะฉะนั้นมันจึงปลอดภัยทั้งเราทั้งเขาได้เอื้อประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาไงพระอริยเจา้าทำงานอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเดรัจฉุญท่านไม่ทาเสียเวลาอยู่เฉยอันไหนที่มันประโยชน์ทั้งตัวเดรัจฉุญท่านพุทธเททําเต็มที่ท เ, ทท hm เลยนี่นี่คือทํางานด้วยวิชาด้วยยานปัญญาแต่มุ่งประโยชน์ที่ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทเป็นหลัก ไม่ได้หวังว่าจะเอาอะไรแต่เมือเ่อคือประโยชน์โดยประโยชน์ท่านก็ก็สบายทั้งสองฝ่ายนะโยมก็สบายหาพระก็สบายนั่นแหะคือประโยชน์สูงสุดแล้วเนี่ยไม่มีค่าจ้างระวันอะไรที่มาสูงกว่านี้นี่พระพุทธเจ้าท่านถึงสะละเราจะสมบัติมหาศาลใช่ไหมแล้วออกมาทําประโยชน์อันนี้แล้วท่านได้อะไรไม่ได้สมบัติภายนอกแม้แต่ชิ้นเดียวแต่สมบัติภายในมหาศาลสิ้นทอดอยืนนานมาจนถึงปัจจุบันหลายพันปีแล้ว แต่โลกนี้จะอยู่ไปได้อีกหมื่นกี่หมื่นกี่กแสนปีก็ยังอยู่เห็นไหมประโยชน์นี่มันมันเป็นนิรันด์มันมันเที่ยงไงนะดังนั้นบุคคลอย่างนี้ก็มีอย่างเราทั้งหลายอย่างเงี้ยเอานะก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีในโลกนี้ก็มีอยู่อย่างพวกเรานี่ก็มีหลายคนเราจึงพยายามที่จะเสาะแสวงหาเพื่อนที่คิดอย่างเนี้ยมาทาร่วมกันแล้วก็กล้าหาญในการที่จะทา ก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็สแสวงหาเพื่อนผู้มีไฟในทางเดียวกันมาทำอย่างเดียวกันและคนอย่างนี้ก็จะมีเหลืออยู่เป็นพันเป็นพืชมเมล็ดพันของโลกต่อไปนะเพราะนั้นในโลกถึงมันจะไม่สงบแต่ในมุมหนึ่งมันความสงบก็มีอยู่นะจึงอยากจะให้เราทั้งหลายได้เกิดแนะรงใจในการที่จะทำอย่างเข้าใจแล้วก็ทาอย่าง สนุกสนานนะไม่ใช่ทำโดยโทดทอ้อเนรนายขี้เหยียดแต่ว่าอะไรก็ก็ตามที่เกิดขึ้นให้เราศึกษาหมดทั้งนั้นนะไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วเราไปข้ามมันไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกมันจะบดจะมืดไปห้ามไม่ได้หรอกแต่หน้าที่ของเราต้องรู้จับหลบหลีกลื้ฝนะตกเรากลัวเข้าบ้านซรู้จักแดดออกก็หลบหาที่ปลอดภัยเซ่งั้นนะเหมือนกันเวลาจิตของเราบางวันเนี่ยมันคิด ไม่ดีคิดจักกุศลคิดบาปพิดทุกมันก็มีแต่หน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ไปต่อต้านหรือไปกลัวมันแต่เราก็ต้องรู้จักหลบรู้จักเลี้ยงรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนเพราะว่าจิตของเรายังไม่สมบูรณ์เต็มที่ในแง่ของปรามัดยังไงมันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีอาบมีดาวเป็นธรรมดาแต่เราก็พึงใช้จังหวะของของมันให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา กำลังของสติปัญญานะถ้าเราปฏิเสธมันเราก็ไม่ได้ปัญญาจากมันนะดัง น, นั้นเองเราก็พยายามเข้าไปศึกษาและแปลเปลี่ยนมันให้ได้นะดังนั้นในช่วงเย็นวันนี้คิดว่าเราได้ศึกษาของจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักขบวนการที่จะแปลเปลี่ยนความจริงระดับสมมุติให้เป็นประมดได้ โดยการไม่ปฏิเสธสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจแต่เข้าไปเฝ้าดูเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้มันให้เกิดความชินนิชชำนานมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีสิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบแบบไม่ป่งแต่งเป็นรางวัลให้จิตของเราได้ซึมซั์ได้ประสบเอาบ่อยๆกับกจิตกับสภาวะอย่างนั้นแล้วเราก็สื่อ ความหมายกับจิตประเภทนั้นได้ตลอดเวลานะให้จิตเรียนรู้ให้จิตสัมผัสกับสภาวะที่สงบแบบไม่ปรุงแต่งให้ชัดๆเอาไว้เมื่อมีอะไรวุ่นวายเกิดขึ้นปั๊บเราแล้วลึกถึงปั๊บมันมาทันทีเลยและไอตัวที่ไม่สงบทั้งหลาย